แต่ก็ไม่เห็นมีการดําเิกอย่างเนี้นผมก็ไปเขาก็ทําตามลําดับครับเราจะาวาสิกพิชิุกก็องค์หัวใหญ่สุดแนครับ อ, อยู่ข้างหน้ามินบาร์ก็เหมือนกันครับแต่มินบารนี่ผมเกวัดใช่ไหมครับถึงผมอยู่ไม่ได้เกวัดแต่ผมไม่ได้ไปบินบารก็เลยบินเฉพาะในวัดแต่ก็เห็นองค์ใหญ่ก็เป็นคนนั่นไม่เห็นมีสระสามลําดับแล้วไม่เคยได้ยินพูดอย่างนี้เลย ห ร, หรือมันพึ่งพัฒนามาไม่นา น, นาผมว่าอาจจะนายาพัฒนามาคืออีกอย่างนึงในกรณีที่ว่าสนรูภาษานี้แม้กระทั่งอย่างพระปากตา ม, มาอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านก็ถือว่าพระปากตานั้นแม้มีภรษาหนึ่งก็ยังชื่อว่ามีรรษามากกว่าไม่ใช่ในวาลีไม่ใช่อย่างนั้นครับผมว่าเขาเข้าใจผิดปริวาสิกาพิสุถึงจะมีพภรษาหกสิบแต่ถ้ามีอคัติกะาาแม้มีพภาษาหนึ่งมา ควรลุกที่ควรลุกลุกให้ให้ที่แค่นั้นเองครับไม่ต้องอย่าลไรควรลุกให้ที่เท่านั้นเองแล้วลุกแล้วไม่ใช่เดินหนีไปที่อื่นแล้วทำไหนใจว่าเฮ้ยเพราะไอหนีหมาเองปูถึงเสียที่นั่งคิดอย่างนี้ไม่ได้ครับรลุกขึ้นมาแล้วก็พูดคุยนะครับเพียง แ, แต่ต้องห้ามไม่ให้เขาไหว้เราห้ามไม่ให้ยินดีเท่านั้นเองครับตรงนี้ผมว่าเ้าเอาตรงนี้ไปตีฟาว ก, กันโดยที่ไม่ไม่ไม่ใส่ใจถึงคําอธิบาย เขาว่าน่าจะเป็นตรงนี้ถ้าอย่างนี้ส่วนมากก็ก็มีการบังคับนะครับบังคับนะักษณะที่ว่าให้พระปฏิวัติการเนี่ยผู้มีอายุพรรษามากๆเนี่ยต้องมากราบไหว้กับพระปัตตาพิสุผู้มีบรรษาน้อยไม่ใช่สมมติว่าอาเอามผมผมผมต้องอับัตใช่ไหมครับแล้วผมอาจจะปกปิหรือไม่ปกปิดก็ดีเอาถ้าปกปิดผมจะขอปฏิว่าทาไมปกปิดผมจะขอมาน้ากับสงฆ์ต้องหอม5้าเวียงบาฮุจ้าบอกเลยอันนี้เป็นบาลีนะครับสุคู่แก่กว่า แล้วไหว้เท้าของเธอแต่ถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็กราบสงลงไปเลยครับขอแก่สงถึงไม่กราบก็ไม่เป็นไรครับเพราะไม่มีผู้แก่กว่าแต่ในขณะที่มีผู้แก่กว่าต้องกราบครับต้องกราบถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรขอกราบสงไปเลยแต่ถ้ากราบเรากราบในฐานะกราบสงอย่างนี้ชื่อว่าเคารพสงใช่ไหมครับไม่เป็นไรเรไม่ได้กราบองไดองหนึ่งอย่างนี้ไม่ต้องอาบัดแต่ถ้าในขณะเดียวกันเอา สมมติอะสมมติมีอาคารกราะมาองค์งหน้าบริวาร ศ, ศีระพี่สุเกะกว่าองค์นั้นเพิ่งพรรษาเดียวเราไปถึงกราบองค์นี้ไม่ได้ครับกราบผู้อ่อนกว่าก็ต้องอบัตรใช่ไหมครับต้องอบัตร<ด>ทุกคนแล้วไม่เ อ, อื้อเฟื้อในวินัยใช่ไหมครับงั้นเราไปบอกเฉยๆเลยไปถึงยืนบอกก็ได้นั่งบอกก็ได้ในในโอกาสที่สมควรนะครับไม่ต้องกราบผู้อ่อนว่าเราไม่ต้องกราบครับต้องถามครับเพราะจริงๆแล้วต้องถามมรรษากับผู้ที่มาผู้ที่เรายังไม่รู้จักครับ เขาบอกว่าอ่อนว่าเองั้นผมพรรษาเท่านี้นะครับแล้วก็บอกเลยครับคือเขาก็ใจอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็เขาถามพรรษาปุ้บเขาจะบอกว่าปริวาสิกาเนี่ยอืมอือพื้ปริวาสเนี่ยไม่มีอายุพรรษาเหมือนงันแมผมไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้แปลกจังามว่ามันพัฒนามาทีหลังนองครับเพราะผมในที่เออย่างชนบุรีเขาวัดในหลังเต่าพระเจ้าน้ำเพลเขาจัดยิ่งใหญ่มากันว่าองค์ทุกปีครับเขาบรรยายทุกคืนเขาไม่เคยได้ยินอย่างนี้เลย ผมอยู่สองปีที่นั่นผมสถานีฐานเป็นอย่างนี้ครับส่วนมากพระปกกาตาเนี่ยเป็นผ้าหนุ่มตอนนี้ก็ผ้าปกกาตาไอ้ผ้าที่ประพฤติว่าตอนจะบอกวัดสมรสาครก็ต้องกราบต้องใดใช่ไหมครับก็เลยให้กราบกันไปอย่างนั้นเลยทาตามกันพอเห็นใครไม่กราบก็เลยครูหน่อยไม่กราบได้ยังไงอย่างนี้อาจจะใช่แต่ตรงนี้ก็คือพัฒนาไอ้วิวัฒนาการไปในทางจิตนิยมที่เราเองอ่อนน้อ ประพฤติวัดฟังจริงไม่ใช่มันมันรู้สึกรถรถเกินแก่เหตุที่พรเจ้าอนุญาตรถฟังจริงที่ทีมันน่้ขึ้นไม่ร้แค่นะั้นเดี๋ยวมันก็จะเลินอีกเมืม่อมาอารแล้วงขูง่นล้วมังขูงนี่มึงขูง่กูมึงอ่านเป็นอาคาตไปก็ได้ คงจะหมายถึงลดตำแหน่งหน้าที่คือเองเคยมีอยู่ก็แค่นี้พุทเจ้าก็ลดไปเยอะแยะแล้วห้ามเป็นอุปชาห้ามเป็นอาจารย์ให้นิสยัยห้ามยินดีอุปชาห้ามอะไรโอ้ยลดไปเยอะแยะแล้วต้องทําเองทั้งหมดอยู่แล้วนี่ครับใช่ไหมครับแล้วทำไถอดพรรษากันอีกด้วยแล้วแล้วถ้าเกิดบําพฤติปริวาิไปหกสิปีก็นับพรรษาไม่ได้เลยสิใช่ไหมครับอยู่โอ้โหอะไรว่าบวชมาเรื่อกสปียังไม่ได้พรรษาหนึ่งเลยอย่างนี้แย่เลยใช่ไหมฮอ พรรษาจะเท่าไหร่แต่ว่าไม่เอากันออย่างนั้นก็ไปเป็นเป็นถอดยศเรียกอะไรอะไรฮะอะไรกรรมรนิส ย, กร ร, รยกรรมใช่ไหมถอดยศเอออย่างนั้นเลยไปไม่ใช่ปริวาสกรรมแล้วเป็นนิสยกรรมไปแล้ว ใ, ใช่ไหมครับทําผิดอย่างอื่นมาแล้วถูกถอดยศไปซะแล้อย่างนั้นใช่ไหมครับถูกถอดยศแต่เอเอถูกถอดยศเขาก็ยังเดี๋ยวพอพื้ น, นดีขึ้นมาก็พรรษาเขาก็เท่าเดิมใช่ไหมครับเขาไม่ได้ถูกลดพรรษาไปเลยเพียงแต่ ไม่ให้เขาไปสมโพกไม่ให้เขาไปร่องกินร้อนอนเท่านั้นเองนีฮะอนเานี hmm. mm ่ยโยมเอไปอยังเทศของพ่อ hmm. พ yeah. yeah. mm ่อเก็บละเทศาคูกันว่าเป็นพปรม่เก็บละเทศได้ยังไงเนี่ยอืม เป็นพระเถระอ่ะเอาว่างไาอมันมันเคยรืออาจจะได้หลักฐานจากหลวงพ่อมหาธ น, นิชก็ได้หลวงพ่อมหาธ น, นิชท่านเจริญจัดในบริวารท่านคลองแคลวอ่าแต่จริงๆแล้วไม่ควรเพราะไม่ควรรับหน้าที่ ไม่ควรรับหน้าที่การสั่งสอนในสงฆ์นะครับหน้าที่อะไรๆก็แล้วแต่ที่เป็นของสงฆ์การเทศน์นี่เป็นหน้าที่ของสงฆ์้ะครับแม้ถูกสงฆ์สมมุติแล้วก็ยังไม่ควรอีกก็ยังไม่ควรเทศน์อีกครับไม่เจอว่าเกี่ยวกับสงฆ์สมมุติให้เกี่ยวกับเป็นองค์เทศใช่ไหมแต่สมมุติให้เป็นผู้สั่งสอนนางพิสุณีนี้เหมือนกันไม่ต่างอะไรกันครับไม่ต่างอะไรกันไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างกัน เออเดี๋ยวมีอีกทีหนึเขาจะบอกคำเกี่ยวกับหน้าที่ของสงฆ์ทั้งหมดเลยไม่ควรรับได้ครับเพศได้ครับเพราะเป็นประกาศต่างไปแต่ถ้าเอที่เขาโจทย์นั่นเขาคงหมายถึงเก็บวัดก็ไม่เก็บวัดมันไม่ต่างกันเขาคิดอย่างนี้ครับเขาคิดอย่างนี้ไอพินายนี่หมายว่าไม่เก็บวัดนี่ไปครับไม่เก็บวัดนี่รับหน้าที่ถึงเคยเป็นหน้าที่เป็นพระธรรมกถาถึกอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นหน้าที่ ทำมาก็ะทคือถูกสมมติไว้ก่อนแล้วแล้วต้องเออบัตประพฤติปวาบัตอยู่จะไปสะแสดงอย่างนี้ไม่ได้ไม่ไคือรับหน้าที่ของสงฆ์ไม่ได้ในขณะนั้นรับไม่ได้นะครับนีบน่ไงอย่างนี้ไงพิกตูผู้ อ, อ๋ออ๋อเขียนเขียนเดี๋ยวเดี๋ยงันงันเอาตรงนี้เขาถามประกาวไว้แต่ที่ไหนอะไรอ่อ่าอ่าในคำคีย์อะไรอย่างนี้อ๋อออเดี้ยวนีนดับษา ไอ้อเรื่องเรื่องเรื่องมีการไหว้มันจะแสดงถึ ง, งการลำดับพรรษาว่าไม่มีการลดนะครับไม่มีการลดไม่มีการปลดปลดพรรษากั น, นเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเนื้อความและตั้งหัวข้อก็ได้นะครับอย่างนะครับแป่นะครับอันนี้เขายกยกมาแล้วมันมีประโยคอื่นมันมันต้องแปงเสริมเข้ามานะครับตรงนี้เพราะมีศาสตรที่ตึงต้องมีตัวอนุ ญ, ญาตเามาที่หลังอันนี้เป็นบทตั้งยกมาจากบาลีนะครับตามลำดับผู้แก่นะครับตามลำดับผู้แก่ ตามลำดับยังไงท่านก็บอกว่ามิถุยะเถ้าสันติท่านยกมาตั้งว่าตามลําดับผู้แก่อย่างไงอย่างไงท่าอธิบายต่อไปว่าปริวาสิกเกสุนะครับบรรดาภิกษุปริวาสทั้งหลายนะครับคือปริวาสหลายๆองค์อัญญมัญยังโยโยุทโธโยโยภิกขุนะครับภิกษุปริวาสิกาภิกษุใดๆใดๆพุทโธเป็นผู้แก่กว่าอัญญมัญยังซึ่งกันและกันแก่กว่ากันตามลำดับนะครับ หลายองค์แต่มีแก่แ ก, แก่แก่ตามลําดับนะครับซึ่งกันแล้วกันตรงนี้ต้องใส่เราอนุ ญ, ญาตต้องใส่คําของพระเจ้าเข้ามานะครับอาจารยาเขียนอย่างนี้ต้องใส่เขาเข้ามาว่าอ่าเราอนุ ญ, ญาตหมายถึงพุทธเจ้านะครับเราเนี่ยหมายถึงพระเจ้าเราอนุ ญ, ญาตเพื่อให้ยินดีเราอนุ ญ, ญาตให้พิกจุนั้นๆเลยดีกว่าเอาเอ า, เอาเข้าไปที่สาธิตจงเราอนุ ญ, ญาตพิกจุนั้นๆคือผู้แก่กว่ากันนั้นนะครับ ปริวาสิกะนะครับนั้นนั ân, ้นนี่ไหนหมายปริวาสิกะพิสุนั้นนั้นยินดีนะครับยินดีการอภิวาทเป็นต้นของพิกษุผู้อ่อนกว่าได้นะครับเนื้อความนะครับเนื้อความในในปริวาสิกะพิกสุทั้งหลายนี่องค์ใดแก่กว่ากันตามลําดับนะครับก็ให้ยินดีการกราบไหว้การอภิวาสเป็นต้นของพิกสุผู้อ่อนกว่าได้นะครับ <IS Y> เพรา น, นันนี้แสดงได้เลยว่าไม่ ไ, มได้มีกา ร, รลดพรรษายังมีผู้แก่ผู้อ่อนนะครับยินดีได้เลยไม่ต้องห้ามปริวาสกับปริวาทด้วยกันครับนี่กรณีที่ปริวาสกับปกตศตะนะครับเหมือนกันโอ้ขนาดแค่ปริวาด้วยกันยังยังมีเลยใช่ไหมครับประกาศต่าแน่นอนเลยมีหมายถึงว่าประกาศต่คือท่านอายุพรรษาน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเพราะเพราะที่เขาเข้าใจกันนะครับเขาเข้าใจว่าปริวาสกับปริวาสนี่อายุพรรษาอ่าใช่ครับ เอาแบบมังคุนี้เขาบอกล้มหมดเลยเสมอกันหมดเลยใช่ป่ะแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เสมอขนาดปารีวาดเดียกันยังไม่เสมอเลยภาษาต่างกับปารีวาดครับปาิีวาดกับปารวาดเดียกันนี่เขาให้เรียงภาษาอยู่แต่ถ้าปารีวาิกับปากกาตานให้ให้พวกปรีวาดนี่ไม่เท่าภาษาต่างภาษาไม่ได้ปารีวาดนั่นน่ะพันสมากน้อยนี่เขาให้เสมอกัน อ่าทีนี้ปริวาิที่มีรรษาแก่กับปากตาที่ทมีภรษาน้อยครับปกตินี่เขาให้ปไปไหว้ด้วยไหว้ไม่ได้ครับไปปริวาสไปไหว้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเวลาไปเจอเราจะมีอีกนะครับเดี๋ยวมีอีกครับตรงนั้นมีอีกมผมไม่ได้จดมามันอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยแต่มีครับเพราะมันจะมีภิกษุผู้ ประพฤติปฏิวัติแม้พันสาวหกสิบพิกษูที่มาเป็นอางทันตกรบแม้หนึ่งพันสาก็เพียงแต่ลุกให้ที่เท่านั้นเองแต่ไม่มีบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทําวัดตรงนู้นไม่ต้องเพราห้ามเพียงแต่ไม่ให้ยินดีเช็คไหมครับไม่ใช่ให้ไปทําให้เช็คฮะแต่ห้ามแล้วเธอยังกราบยังไหวอยู่ท่านกับประพฤติวินัยกรรมของท่านไปไม่เกี่ยวกับผมแล้วเขาก็กราบก็ไหว ไม่เป็นไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องอบัดแล้วแค่นี้แค่นี้เรารู้ได้แล้วว่าไม่แม้แต่พรรษามากหรือน้อยมันก็ยังมีพรรษาอยู่อย่างนั้นเองเพียงแต่ห้ามการยินดีเท่านั้นเห็นไหมครับผมเจอที่เกี่ยวกับปกรตทาพิสูผู้อ่อนภรษากว่านะครับกับปริวาสิกาผู้แก่นี่ทีนี้ปกตะทาพิสูนี่ไปเพื่อที่จะให้อ่าปริวาสิกานั้นเกิดความกระอ่วมนนะครับลุกขึ้นบ่อย อออย่างนี้ท่านยังปรับอาบัตนะิภิกษุผู้ไปอ ต, ตรงที่มันจะต่อกับที่ผมพูดนี่ว่าภิกษุมีพรรษาหกสิบประพฤติบริวารใช่ไหมครับอาคันุกะมาผู้อ่อนกว่ามาเธอต้องลุกให้ที่นั่งแต่ไม่ใช่ลุกแล้วเดินสะบัดตูดหนีไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับสแสดงกิริยาอาการอย่างนี้ไม่ได้ท่านห้ามต้องลุกให้ที่เฉยๆไม่ใช่ไปแล้ ว, แ ล, วแล้วทําในใจไม่พอใจสแสดงอาการไม่พอใจแล้วไปอย่างนี้ไม่ได้ ในขณะเดียวกันท่านปรับอบัดแก่พิกษุปปกผู้กระตาตาพูอ่อนกว่าเห็นท่าเถระเข้าปริวตัตอยู่ไปหน่อยไวอ้อไปท่า น, นอึดอจึจอัดใจต้องลุกที่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพอมไปอีกหน่อยไวอย้อย่างนี้อย่างนี้ต้องอบัดทุกกฯฯปรกระตตาพิกษุปปกผู้อ่อนกว่าต้องอบัดแล้วก็มีใจคิดจะแกล้งอยู่ครับไปแกล้งครับอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาอนุญาตเทียงแก่ให้ลุกให้ที่เท่านั้นในในงานปริวัติเขาก็มีการแกล้งกันครับแกล้งไหนเขาโทรไปเฮ้ เดี๋ยวตอนนี้ตีสองมาวัดเมืไหน่กําลังเข้าไปไปิบาตเดี๋ยวให้พระบริวัติเขาต้องลุกขึ้นมาบอกว่าเตือนตัวหน่อยเตืนตัวหน่อยอะไ อ, อ, อ, อ, อย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่เป็นธรรมนี่ใช้ไม่ได้แล้วก็มาแล้วก็ <c oughs> ผมมาหายาติที่นู่นที่นี่ครับผมก็เลยแวะเข้ามารู้จักกับท่านเจ้าวาดที่นี่จะมาขอพักถ้าเห็นท่านอย่างนี้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปขอพักที่อื่นออลุกความบอกว่าัดพระพงค์นี้พิเรนพิเรอย่างนี้ก็มีเนาะอย่างนี้ก็มาอยู่ปริวัติเหมือนกาบอะไร มาถูกทาโทษเอออย่างนี้อย่างนี้ก็รวมหัวกันต้องเอาบัตตัวอื่นแล้วไม่ไม่เอาทางอาธิเสธแล้วกันตีหัวอย่างนี้แม่พยายามยิงคิดอย่างนี้ก็มีเอ๊ะท่านรถนี่ไปเจอวิบากแปลกๆมาๆเอ อ, อแปลกๆมากเลยนี่เพราะมันจัดไม่ใช่อนุเคราะห์ทําวินัยครับการประกาศจัดปฏิวาตอย่างนี้ผมว่ามันไม่ได้ต้องตามวินัยเลยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีเรื่องที่ ประหลาดประหลาดเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเออผมมีความเด็ดร้อนครับเออผมเปิดพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องกระบาดไหมครับนี่ผมอย่างนี้อย่างนี้ชื่อว่าปกปิดไหมครับเอออย่างนี้อย่างนี้ชื่อว่าปิดกีวันครับผมควรจะต้องเข้าไปวัดชนิดไหนครับเออถ้าอย่างนี้มันน่าจะเป็นทําเป็นวินัยไหนใช่ไหมครับนี่เอเอเฮ้ยไปโน่นเลนย้เขาจัดเป็นวัดวุ้ยโอ้โหที่โน่นมีซุ้มด้วยมีอะไรโอ้มีคนอุปทานเอาไปวุ้ยอย่างนี้ครับผมว่ามันเลยไม่เป็นทําให้เป็นวินัยอย่างนี้ไม่เห็นน่าจัดไอ้ที่ อืที่สุโขทัยยองไว้ไม่ไม่อยู่เว้ยใช่ที่ที่สุโขทัยครับคับสุโขทัยมีเสร็จแล้วโยมก็มาใครมาจองพระโรคมีครับไหนทุเขาบอกเขาพยาปาามีเท่าหนึมีเขาบอกว่าท่านขาดหรืออะไรก็บอกนะครับเคยโยมไปเยอะแล้วเขาพยาปาามีองค์นี้เคยเข้าครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาเขาเลิกไปแล้วเนาะน่ะเขาเลิกไปเขาจัดซุ้มเลยแล้วก็โยมอุปถัซุ้มใครซุ้มมันพระองค์ไหนมาโดนซุ้มเราเราก็อุปถะ ตอนเช้าแม่มาใส่บาตรใช่ไหมครับตอนบ่ายลูกจะอาวหารน้ํามาให้เอาน้านะําปลาน่าเอาอะไรมาให้ก็คุยสี่ห้าทุมแล้วกลับอย่างนี้เรียกว่าไปเข้าสังฆาฏิเศษกันครคือมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องเนาะแต่ไป ท, ทําพิธีต้องแล้วก็เอามันแท้จริงในระหว่างนั่นเลยมีเแล้วก็เป็นหลายคู่เลยปีนั้นพอออกปฏิวัติครับสึกเยอะเลยแล้วได้กั็เป็นครูคบางทีเนาะอาจารย์อ่อนนะไม่ได้สึกเลยยังไม่ทันสึกเลยครับเดี๋ยวนี้แกก็เลยยัง ปริยานตนเป็นพระอยู่เลยอย่างเขาไว้อย่างเงี้ยครับภาวนาอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็ขอบาตรขอจีวรขอกรใหม่ทั้งชุดเลยอะอะออย่างนี้มีอย่างนี้มีครับอย่างนี้เคยเจอที่เขาไม่อยากปาบผมไปเพรานิ ม, มนต์ไปบรรยายผมไม่ได้บรรยายผมไปแล้วเห็นแล้วมันไม่น่าบรรยายครับสถานการณ์มันมันโฆษณาปริวาสันเหมือนกับว่าเออเป็นผ้าที่กําลังออก อ, อกิเอออกจาก นิโรธนะอ่าเนี่ยครับมันหมดสภาพเลยอย่างนี้ครับมันโอ้ยคนก็เข้าใจตามที่พระบอกครับเข้าใจว่าการทําบุญกับพระปฏิวัติทำให้ได้บุญมากมากครับเท่าเท่าเขาจะบอกก็เท่าเท่ากับที่ออกกับนี้ออกจากนิโรดเลยขนาดนั้นมันดูมันเทียบกันนี่้ยอ่ า, า น, อ น, นี่นี่นี่ตรงนี้อ้างครับโอ้ยโยมเลยอุปถากภเอาลูกสาวมาอุปถามโอ้โหถ้าองค์นี้ไปเป็นลูกเขยก็แจ้าเลยไว้อย่างนี้เลยไปกันเป็นแถวเลย เออสดสดร้อนรอนนี่หมดจดเลยอย่างเพื่อนองหนึ่งครับไปฟัองอย่างนี้ครับฟังคำบรรยายโอ้ยพอออกปฏิวัติแล้วไม่อยากรับบิณฑบาตคนอื่นเลย จ, จะรับโ ย, ยมให้แม่ได้ทำบุญก่อนใครเออหีทองปันอวันโนอาวันโนนะอา่าอย่างนี้ไม่ดีครับอย่างนี้ผมว่าจัดแบบนี้มันทำให้ ทั้งพระใหม่ทั้งโยมทั้งอะไรนี่เข้าใจคําว่าปริวาส น, นิดผิดไปเลยผิดไปเลยแล้วก็ไปตั้งกฎกติกาที่ที่ตัวเองคิดว่ามันควรจะเป็นไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้สนใจว่าพุทธเจ้าจะอนุญาตยังไงอย่างมีบางวัดพยายามจะทําให้ถูกพ้าผู้ใหญ่ก็พยายามจะเพ่งเล็งนะว่าท่านนี่อแอบแนวนแวแนวนะมันต้องทํากันเป็นกลุ่มเยอะๆนะครับแต่บางยังหวัดนี่ครับอย่าง อย่างน้องคาอย่างนี้ครับนมีเพื่อนอยู่รูปนึ่งครับบอกว่าจะจัดปริวาสนี้ไม่ได้เลยท่านห้ามเลยบอกว่าทําไมจะต้องเอาภาพรปริวาสมาประจานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาไม่ต้องจัดอะไรห้ามเลยครับนี่ห้ามไม่ให้จัดเลยนะครับ <Travel> มันก็เลยว่าคนนึ่ไม่รู้จะยืนที่จุดไหนจริงๆแล้วมันประกาศไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่ได้สมมุติประกาศอาบัติของพิสูจอื่นด้วยที่ประกาศให้โยมฟังเนีย่ยนะคร บ, บอกให้โยมรู้ว่าพิสูจต้องอาบัตินี่ เราไม่ได้ถูกสมมติใช่ไหมครับจริงๆแล้วพิกสูผู้ได้รับสมมุติเท่านั้นจึงจะบอกได้ใช่ปะ่ะถ้าเราบอกอบัตสังฆทิเศตเราต้องอบัตปบาจิตีเพราะเราไม่ได้สมมติใช่ไหมครับบอกอบัติบาจิตีเราต้องทุกข์กดเพราะเราไม่ได้สมมุติที่ติดไม่ประกาศกันเลยโอ้โยมพิสูพมาพระกำลังมาเข้าบริวัตินั่นคือเข้าปฏิวัตคือต้องอบัตสังฆทิเสตครับประกาศว่าพระพวกนี้ต้องอบัติสังฆทิเศตใช่ไหมครับเราต้องอบัตปบาจิตตีต้องไปเรื่อยเลยพูดทิ้งต้องไป<ล>พูดพู ด, พ ด, พ ด, พดพ พราะมันไม่น่ายินดีเลยใช่แบบครับอย่างท่านอะไรมหาอมหาชนอแกมีความปรารถนาดีอยากจะให้พระเข้าใจปริวาิจริงๆแต่แกก็ยังจัดไอที่เหมือนเหมือนเขาจัดผมยังไม่เห็นชอบใจเลยครับอย่างนี้ผมถามทําไมต้องจัดอย่างนี้แกให้เหตุผลว่าอยากจะให้เขารู้ว่าจริงๆปริวาสมันคือยังไงผมบอกแล้วก็ ก็เราอยากจะให้เขารู้ว่าปริวัตมันคือไงแต่เราก็ยังไปจัดเหมือนเขาแล้วเราจะเราจะบอกให้เขารู้ได้ไงเขาจะมาเชื่อเราได้ยังไงแกก็บอกวิธีนี้มันดีที่สุดแต่แกคือคือ ค, คิดส่วนเดียวไม่ได้คิดถึงข้ออื่นๆมาเปรียบเทียบกันครับไม่ได้คิดอ่าครับจริงๆเราเราไปประกาศเราเราก่อนเราจะจัดเราต้องไปบอกโยมใช่ไหม <S <S เดี๋ยวจะมีพระปริวาติาพระมาเข้าบริวาตกันนะโยมถามปริวัตคืออะไรเอ้าต้องทำบัตทั้งคณะเษร็จไง แล้วออกจากอบัตก็บริสุทธิ์เลยอย่างนี้ศีนก็บริสุทธิ์เลยเอายมก็เลื่มใสกันอ้าวถวายอาหารกันหน่อยทีนี้โอ้พระจะศีนบริสุทธิ์แล้มีความตั้งใจจะประพฤติดีคนทําผิดแล้วรับผิดมาทําตัวเป็นคนดีแล้วไม่ใช่คนดีหรืออ้าวโย้โอ้โหอย่างนี้ต้องเป็นคนดีแน่นอนเลยเชื่อตามพระครับผมว่าอย่างนี้ยังไม่นถูกเลยมันถูกส่วนหนึ่งถูกถูกต้องอ้าอยากจะอนุเคราะห์ให้เขาออกจากอบัตใช่ไหมครับไอการอนุเคราะห์ด้วยวิธีอื่นก็มีใช่ไหมครับ โดวยวิธีอื่นก็มีอ้าวพอเขานะเนี่ยลองไปที่นู่นทีนะ่ะเขาอยู่กันธรรมดาเราไปเล่าให้เขาฟังนี่ว่าเราต้องเอาแบบอะไรอะไรๆะไต้องในวิธีไหนโปรฟิดหรือไม่โปรฟิดนะแล้วเขาก็แนะนําแล้วก็ขอเลยนะ่ะอย่างนี้เขาก็อนุเคราะห์พระสงฆ์เขาก็ไม่ไม่ไม่ไมจใ จ, จใจดำลงที่นั่นอนะอย่างนี้เราก็แนะนําได้ครับคือไม่ได้ประกาศอยู่กันโดยไม่ได้ประกาศทีนี้ว่าจะสมมติว่าพระผู้ใหญ่นี่ครับพระเจ้วผู้ใหญ่ ท่านจะจัดงานปริวาสเออนะครับเราเป็นพาะผู้นออ้อยอต้องคอยครับท่านก็มอบหน้าที่ให้ว่าเออท่านไปช่วยประกาศให้หน่อยนะออบอกว่าผมจะจัดปริวาส<ต>อย่างนั้ น, นผมจะจัดเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆให้ท่านก็จัดหารถหาเครื่องขย้ายเสียงให้อะไรให้ะไปปาารกทีนี้ก็ไปประกาศ อ, อ, อย่างนั้นนะครั บ, รบแล้วผู้ที่ไปประกาศอย่างนั้นจะต้องจะมีความผิดอะไรบ้างครับ พรยังไม่ได้ถูกสมมุติให้เป็นผู้ประกาศอาบัติของสงฆ์ของพระหลวงพ่อสั่งนั้นให้ไปประกาศโฆษณาเฉยๆหลวงพ่อก็ต้องพ่อสั่งอันนี้ก็ต้องเขาไปประกาศเดี๋ยวนี้ก่อนงั้นถ้าเกิดไม่ประกาศครับก็ไม่มีอาหารเลี้ยงพระที่มาเข้าบฏิวบัติก็อย่ามาอยู่ที่ครับก็อยู่อย่างที่ผมว่าใครต้องอะไรอยู่ใกล้ที่ไหนก็เอาก็ที่นั่นกันอย่างนี้ก็จะจัดครับโบสถ์สร้างไว้ยังไม่เสร็จออย่างนี้ไม่ได้มาปาโลกอย่างนี้ได้ไง ปาลบอย่างนี้ก็ชินชิ้นดื้ว่าไม่เป็นธรามไม่ีไหนแล้วตอนเช้าว่าแจกเข้าหอแล้วไปเปรถเมลไปบินทบางนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกิดตะกี้นี้ได้สมมุติการส่งแล้วแล้วไปประกาศเกิดชาวบ้านได้สงต้องเป็นผู้อ่าสมมุติอ่ะไอ้บางองค์ไอ้ประพฤติที่ที่บอกว่าไม่เคยไม่เคยยอมเห็นอาบัตตัวเองใช่ไหมครับไม่ยอมรับว่านี่เป็นอาบัตด้วยไม่แสดงคืนด้วยต้องชัดชินเลยเห็นไหมอาบัตเล็กอาบัตน้อยทั้งหมดเลยก็สมมุติพาไว้องค์หนึ่งสงก็สมมติสรวจประกาศ อ้าวทุตีกรรมอาชาฮะองค์ท่านพิจิตเป็นผู้ประกาศนะถ้ามีพระประเภทนี้ท่านประกาศเลยประกาศกับญาติโยมถ้าองค์นี้ไปชวนชนาชวนเชื่อยังไงยังไงอย่าไปเชื่อท่านเพราะท่านต้องอาบัตรอย่างนี้ประจําท่านเป็นพระผู้แบบอย่างนี้อย่างนี้คือประกาศให้โยมรู้เลยว่าองค์นี้ต้องอาบัตรจะเป็นปาจิตตีเป็นอะไรก็แล้วแต่สิขาบทไหนก็นแล้วแต่ไม่ใช่สังฆะที่เดศดอย่างเดียวใ น, ในกรณีเป็นประกาศได้สมบูรณก็คนละประเด็นกับข้อนี้เหมือนเงินอ้าวก้อนนั้นก็ประกาศว่าพระต้องอาบัติเหมือนเงินเองครับ ใช่ <S <S ใชไหมครับให้ใหให ป, รหรประกาศให้โยมมาทําบุญนี่เหมือนกันครับขอให้ประกาศแล้วกันใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เพราะอาวัตนี้ก็ต้องเปิดเผยในสงฆ์ใช่ไหมครับหรือในพิกษุด้วยกันคณะก็ดีในสงฆ์ก็ดีใช่ไหมครับไม่เคยบอกว่าไปแสดงอาวัติกับโยมเลยไม่มีจะแสดงกับโยมได้มีอาบัติไหนหวะ <S <S <S ไม่มีเลยไม่มีเลยเชยครับไม่มีเพราะฉะนั้นจะแสดงจะเปิดเผยได้ ต้องในสงด้วยกันนะครับนี่ข้อนั้นไงครับข้ อ, ข, อข้อทะเลาะกันที่สุโกสมพีแสดงกัโยมโยมไม่ใส่บาตรให้แสดงยังไงวะแสดงเอาบาตรเลยอันนั้นโยมภ้าบาทครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แสดงกับโยมนั่นโยมภ้าบาทนั่นเป็นวิธีกับก็ไปบอกกับโยมว่ า, าเราคืนดีกันแล้วนะพวกเธอพวกท่านจงทำอะไรตามปกติเหมือนที่ท่านเคยทำนะ แม้แต่พระเจ้าปเสนก็ไม่ยอมอนาถมินิกะไม่ยอมถึงเขาจะดีแล้วใช่ไหมมาจะมาขอเข้ามาพทเจ้าแล้วยังไม่ยอมเลยคนคนพวกนี้ที่เขาบอกว่าเราคืนดีกันแล้วนี่เป็นการมาดแสดงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นั่นบอกทิฐีแล้วเฉยๆว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันใช่ป่ะอ่าที่มีพาไปอ่าขอเข้ามาพุทธเจ้าที่ว่าอะไรจิตตักข้าบดีอะไรตอนนั้น อ, อ๋อ อ, อันนั้นอันนัขอขอ้นว่าไงอ๋ออันนั้นด่าอันนั้นด่า ใช่ไหมด่าอย่างนั้นถ้าด่าเราเหมือนกันเราก็ต้องไปขอเข้ามาอย่างนั้นเหมือนกันขอโทษเดียวครับต้องขอโทษครับเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยใช่ไหมครับเขาถาวายอาหารแค่มันมันมันเศร้าหมองนิดหน่อยคือตะเขาก็ดีของเขาใช่ปะไม่ใช่ครับเขามานิมนต์ภาษาลีบุตรก่อนที่จะไปนิมนต์ท่านภาษารีบุตรมาเป็นอาคารตูการ์อ่าอ่านั่นท่า น, าานาาก็เลยไม่ไปพอจะไปดูไปดูแล้วเขานิมนต์ให้ฉันท่านก่อนเดนนี้อีก ก็เลยกดไอ้ hey, อีกองอีกคนหนึ่งใครจิตาข้าวบดีอ่ะใช่ปะที่ที่ที่ด่าว่าไอไอขนมแดดงาอะไรอะไรนะั oh, ่นไอลูกเออ น, นั่นแน่ครับเพราะขนมขนมอันนี้เป็นตระกูล น, น, น, นี้เขาชอบใช้ตระกูลนี้เลยเรียกว่าเป็นขนมประจําตระกูลเลยแต่ในที่อื่นเขาถือไอพวกพ่อถือว่าเป็นเป็นของทุกๆครับหมายถึงอาชีพเขาเดิมครับเป็นมาอย่างนี้แต่ทีหลังเขาล่ํารวยขึ้นมาใช่ไหมครับ เขาถือว่าของนี้มันถูกๆเอามาถวายเราได้ยังไงอย่างนี้ตัวเองมีเรื Lau ่องสมบัติจังมากแต่มาถวายของอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ไปด่าเขาแล้วก็มีใครอีกไม่ใช่มีคนเดียวมีอีกที่ด่าดอย่างนี้ที่ต้องไปขอ เ, เออเราเอขอโทษขออะไรนั่นต้องไปขอเขามาขอโทษนั่นเองในภาษาไทยใช่ไหมครับขอโทษโยมไม่ใช bon ่พงการไม่ใช่ครับไม่ใช่พงบัตรไม่ใช่บงบัตรไม่มีครับไม่มี เราถูกพระผู้ใหญ่ให้ทําหน้าที่อย่างนั้นนะครับเราจะพูดยังไงนะครับจึงจะทําให้เรานีไม่ผิดพระวินัยเราก็ต้องพูดตามที่ ท, ที่ตรงกับตามธรรมตามวินัยอ่ะบอกท่านตรงๆบอกท่านไปตรงๆเลยว่าไม่ไม่ใช่จริงๆแล้วอย่างนี้งานอย่างนี้ใช่ไหมปริวาทอย่างนี้เป็นเป็นงานสําหรับของพระสงฆ์สงฆ์จะต้องเอพระที่ต้องอาบัติจะต้องไปขอกับสงฆ์ สงจะไอ์อนุเคราะห์กันเองนะครับสงจะสวดกันเองอนุเคราะห์กันเองทําให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเองไม่ไม่ใช่ว่าจัดกันเป็นงานประกาศกันเป็นงานขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราบอกท่านอย่างนี้แล้วก็งานอื่นขอให้ผมทํานะครับงานนี้ผมขอตัวสักงานหนึ่งหรือหาทางออกที่ดีแล้วกันที่ท่านไม่ไม่ไม่ไม่โกรธนะครับไม่โกรธบางที่นะครับที่พระผู้ใหญ่เลยว่าผู้ที่ จัดปริบัติไปบ่อยนะครับจะใช้อ้างในลักษณะที่ว่าเป็นการดึงให้ญาติโยมนี้ได้มีโอกาสทาบุญเทศฟังธรรมหรือว่าทบุญด้วยอยตรงตรงนี้คงเอาไปอ้างไม่ได้นะอันนี้อ้างไม่ได้อ่าอเพระพุทธเจ้ามันยังไม่เห็นเคยใช้เลยลไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นใช้อาเออเอานาถาเธอจองไปประกาศนะเราจะจัดปริวาติอะไรเพื่อให้คนมาฟังธรรมไม่เคยมีเลย มีแต่ใช้พระเดินไปเทศใช่ไหมครับมีแต่ใช้พระไปหาประชาชนเว้นแต่พระที่มาหาพระเจ้าเออคนที่มาหาพระเจ้าแต่ที่เขาไม่มาก็มีเยอะกว่าเยอะมากเยอะกว่าก็ใช้พระใช้สาวกออกไปออกไปพูดกับเขาใช่ไหมแม้แต่เวลาบินสบายก็ชื่อว่าไปโปรดทําความคุ้นเคยไว้ก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอเขาจะเด็กมาเขาจะกล้ามาถามมาถามถามถามไม่น่าถามความงสงสัยแล้วกัน ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่เคยใช้อุบายแบบนี้เลยไม่มีเลยไม่มีตัวอย่างเขาไม่ได้อาราธนานี่มนเทศเทใดเคขาไม่ได้อาราธนาได้ครับไม่ได้เทกับพระนี่เขาไม่ได้พอมาโอไม่ได้เกี่ยวกันเลยอ้ยถ้าถ้าพระอย่างนี้ใช่ไหมครับพระอย่างนี้แสดงธรรมในหมู่สงฆ์นี่ต้องได้รับอนุญาตจากพระเถระแต่เราไม่ได้แสดงธรรมกับสงฆ์แสดงธรรมกับชาวบ้านชาวบ้านอปกติเราพระเจ้าบอกว่าต่ำกวาพระใช่ไหมครับแสดงได้เลยครับไม่ได้ไม่ตดองไม่ดองในมน ขออนุญาตครับต้องขออนุญาตไม่ขออนุญาตไม่ได้มีพระเถระนั่งอยู่ด้วยเราต้องขออนุญาตก่อนท่านอนุญาตแล้วเราจึงแสดงแสดงไปแล้วมีพระเถระอื่นมากําลังแสดงแสดงมีพระเถระอื่นเข้ามาอีกไม่ต้องหยุดขออนุญาตใหม่ไม่ต้องหยุดครับไม่ต้องหยุดแต่ถ้าเราหยุดหยุดแสดงมีพระเถระมาต้องขออนุญาตอีกแล้วสมมติว่าเราหยุดพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแสดงต่อมีพระเถระเข้ามาในเวลาหยุดต้องขออนุญาตครับอย่างนี้ ต้องขออนุญาตเพราะนั้นการแสดงกับโยมมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เหมือนกันกับสแสดงกับกับพระใช่ไหมแม้แต่พระสงฆ์ไอ้ที่อยู่ปฏิวาติใช่ไหมครับอ่าพระที่อยู่ปริวาติไม่ไม่ได้รับสมมติสแสดงทำในสงฆ์อย่างนี้ยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้เลยต้องได้รับอนุญาตก่อนครับต้องได้รับอนุญาตแล้วทีนี้การในที่พระที่ปริวาตินะครับ ประพฤติปฏิวัตอยู่ถึงแม้ว่าไม่ได้รับสมมุติจากสงฆ์นะแต่จ ะ, สะแสดงทําให้เครื่องหัดฟังนี่ควรหรือไม่ครับในที่นั้นมีประกะตศตาอยู่ป่ะในในวัดนั่นอย่างนี้ครับในที่ที่กําลังประพฤติอยู่นั้นครับวัดก็ดีไม่วัดกด็ดีต้องต้องมีเลยครับถ้ามีแสดงว่าเป็นหน้าที่ของปกตศตะครับอ๋อเป็นหน้าที่ของประะ ต, าตาครับเป็นหน้าที่ของ ป, ป, นนองปะกะตศตะอ้าถ้าประกาศตาบอกว่าช่วยหน่อยได้คร <laughs> ับ ได้รับอนุญาตครับอย่างนั้นใช่ไหมครับได้รับอนุญาตวันก่อนถึงอะไรครับถึงวันเดนินชานฟังไหมกําหนดไหมตาไมไหมทันเดี๋ยวจดจดเป็นข้อๆไปก่อนดีกว่า <c oughs> ปกติของบาลีเขาจะไว้ข้างหลังเลยเราเอายกมาไว้ข้างหน้าก่อนก็ได้ไอ้ <c oughs> วันก่อนเราเราเราว่าไปถึงปริวาตทั้งหมดมันมีสี่ชนิดนะครับแต่เว้นไปหนึ่งชนิด เว้นเป็นหนึ่งชนิดพุทธเจ้าประสงค์เอาในที่นี้ที่จะบรรยายต่อไปในอัตถกาฐนี้ท่านจะบรรยายเพียงสามชนิดเพราะอีกชนิดหนึ่งเป็นของสำหรับให้กับเดรัจฉีที่จะเข้ามาบวชนะครับปริวัติสี่เดือนนั่นชื่ออะไรเน้นเน้นชานปริวาติที่จะให้แกเดรัจฉีปริวาติสี่เดือนชื่อปริวติอะไรพิกุณีนะนี่นะโอวาโทนะอันนี้เ้าลบตะลออี เนี่ยตัวนี้ลบ E นั่นนี่